Shine. เราก็ขอมรณากรพวกเราทั้งหลายนะตั้งใจในการศึกษาวิธรรมกัน ในการศึกษาคําสอนของพระเจ้าเนี่ยนะในกระดาษที่เราศึกษาคําสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยถ้าถามว่าเรื่องสีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ยากหรือเป็นเรื่องที่ง่ายศื อ, ก, อกีก็ยากอีกเลยงั้นถ้าเรื่องไปเที่ยวยากกว่านี้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 แต่แต่อยากจะอยากจะอยากจะถามอย่างจริว่าในชีวิตจริงเนี่ยกุศลศีลมันเกิดยังไงใช่ไหมถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีคนอธิบายให้อมาฟังนะท่านบอว่าเออในชีวิตจริงจริงเนี่ยที่ว่ารักรักษาศีกันเนี่ยเจริญศีลและอบรมศีลเนี่ยคือไปรักษาศีลอย่างไง เจริญสียังไงแล้วอบรมกุศลสีย right? so ังไงใช่ไหมก็ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆเนี่ยเมื่อเมื่อเราจะรักษาสีเจริญสีอบรมสีเนี่ยแต่ถ้าเราไม่รู้อย่างสีเนี่ยเราจะทํำยังไงอันนี้ระดับอย่างเราศึกษาอภิธรรมมากันไงเยอะนันเนี่ยที่นั่งๆหลายหลายคนว่าจบบัณฑิตเลยจริงๆลองลองพูดเรื่องเรื่องสีเนี่ยมาฟัง สีนี้เป็นเป็นสภาวะปรมัมะหรือเป็นบัญญัติฮะสีนี่เป็นสภาวะปรามะหรือสภาวะบัญญัติเป็นบัญญัติหรือเป็นปรมมะศีสีนี่เป็นเป็นเป็นเป็นรูปหรือเป็นนามต้องการอยากให้วันนี้ช่วงเวลาที่เราจะศึกษาเรื่องกุศลศีเนี่ย ใช้เวลาอาจจะประมาณตั้งสามสี่ชั่วโมงเลยก็แล้วกันคิดว่าถ้าใครตั้งใจจริงๆก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างออกมาคิดอย่างนั้นนะแล้วก็หวังอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าฟังไปแล้วถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยถือว่าช่วยกันยากแล้วใช่ไหมก็ก็เไปฟังที่จริงตอนในช่วงนี้ทำไมถึงพูดเรื่องนี้รู้ไหม ที่แรกนึงว่าจะหลายหลายคนก็จะวิ่งไปยอดสุดแล้วใช่ไหมเ mm hmm. พราะกลับมาคุยกันเรื่องศีลบนปรากฏว่ามันหายหมดแลเยเนี่ยนะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่จะต้องทําความเข้าใจว่าในพระศ า, าสนาเนี่ยถ้าพูดถึงในด้านของบารมีธรรมเนี่ยนะในบารมีธรรมเหล่านั้นมีบารมีอยู่ข้อหนึ่งที่พระพุทธมศ า, าสดาทรงบําเพ็ญบารมีก็คือว่าศีลบารมีใช่ไหม ก็ศีลบารมีเป็นบารมีธรรมที่พระบรมศาสดาหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านทรงบำเพ็ญมาแล้วกรณีที่ศีลบารมีเนี่ยที่พระบรมศาสดาทรงบำเพ็ญมานั้นเน่ยก็จะเห็นชัดว่ารากของศีลรากของกุศลศีลนั้นมีเยอะโดยเฉพาะเราต้องพูดถึงความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาใช่ไหม ตรงนี้เป็นตัวศีเลยสรําไปเดี๋ยวเราจะไปศึกษากันในเรื่องของการศึกษาในมุมของเจตสิกสีเป็นต้นในคำภี์วิสุธิมักเวลาจะพูดเรื่องสีนเนี่ยต้องเอาคำพี์วิสุทธิมักมากราบมันถึงจะชัดเพราะท่านจะไปสรุปลงใ น, ในสีละนิเทศท่านก็ยกท่านยกประเด็นก็ไวน้นะที่จริงท่านตั้งประเด็นไว้หกข้อไม่พูดเรื่องสีลถ้าหากสรุปไม่ได้เนี่ย เกิดอาทิตย์ต่อไปจะเป็นปัญหาอะไรวันนี้นเนี่ยพอพูดเรื่องอะไรแล้วมันไม่จบเนี่ยมันจะเป็นประเด็นจริงๆจากการที่นั่งคุยเนี่ยหนึ่งอะไรคือศีลมีตัานถานถึงตัวองค์ธรรมของศีลถามตัวสภาวะของศีลประเด็นจริงๆถ้าเราจะรักษาศีลเนี่ยมันจะต้องไปถามว่าหนึ่งเนี่ยอะไรคือศีลเนี่ยคําว่าอะไรคือศีลในที่นี้ท่านถามทั้งตัวสภาวะ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 อโยธปานตะโขงบอกไปบอกไปทําอะไรบอกจะไปปลูกข้าวเพราะบอกจะไปปลูกข้าวเนี่ยต้องรู้จักเมล็ดข้าวต้องรู้จักพันุ์ข้าวอยู่ไหมแล้วก็ต้องรู้จักในการที่เอาข้าวนั้นไปเพาะไปปลูกแล้วก็ไปหวานไปไปใส่ปุ๋ยเป็นต้นเหล่านี้ยแปลว่ามันต้องรู้จักตัวมันอยู่ไหมจริงไหยโยมทุกคนเออมันต้องเป็นอย่างนั้นประการต่อมาชื่อว่าสี่เพราะอัตวะอะไรเป็นไป ก็หมายความว่าตรงนี้ก็ถามถึงอัตถะอัตถะถามถึงความหมายของสีเลยนะถามถึงเนื้อความของศีเลยเข้าใจยงหะประเด็นที่สองเนี่ยก็ถามถึงเนื้อความของสีเลยว่าอัตของสีเนี่ยอะไรลักษณะของศีเป็นต้นเป็นอย่างไรประการที่สามก็คืออะไรเป็นวิเศษลักษณะคืออะไรเป็นลักษณะ คำว่าวิเศษลักษณะเนี่ยก็คือว่าอะไรเป็นลักษณะของศีลอะไรเป็นกิจของอะไรเป็นกิจของศีลกิจในที่นั้นคือการงานเนี่ยศีลที่มันทํางานน่ยนะอะไรเป็นอาการป ร, ปรากฏคือผลของศีลอะไรเป็นเหตุใกล้ของศีลเนี่ยมันต้องรู้ให้ชัดลงไปขนาดนั้นนะถ้ารู้ไม่ชัดศีลเดินไม่ได้ประเด็น ท่านเพิ่งใช้คําว่าจริงๆถ้าอามาใช้ศัพท์เนี่ยอะไรเป็นวิเศะลักษณะก็แปลว่าอะไรเป็นลักษณะของสีวิเศษลัวิเศษศากคว่าวิเศษศาักษณะเนี่ยคือลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยคือลักษณะเฉพาะตัวซึ่งต่างกันกับสามัญยลักษณะยอมเล่นดังแต่ท้ายเลยว่าไม่ค่อยไว้ใจเลย <laughs> เข้าใจคำว่าวิเศษลักษณะไหมเข้าใจคำว่าปัจจาลักษณะไหมอยูเข้าใจลักษณะเฉพาะตัวไหมลักษณะเฉพาะตัวลักษณะเฉพาะตัวก็คือว่าอาสมมติว่าโยมสุันญะงมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไรไมันจะมีลักษณะใช่ไหมเช่นหนึ่งลักษณะอย่างไรใช่ไหมจิต ข, ของโยมสุภันญะโหมันวันหนึ่นนทงทำจิตอะไรแล้วก็ขน ที่เกิดขึ้นจาการจะทํานั้นเป็นยังไงแล้วอะไรจะ็นเหตุเป็นปัจจัยให้โยมสุภะนหงทํางานอย่างนี้นะนี่เขาเรียกลักษณะเฉพาะตัวของโยมสุภะนหงศีลก็ต้องมีลักษณะเฉพาะตัวของเขาคือลักษณะหน้าตาก็เป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็กิจกิจคือกรณีที่ศีลเกิดขึ้นม า, าก็ทํากิจเขาทาการงานเขาทาหน้าที่ยังไงหรือผลที่เมื่อศีลนั้นทําหน้าที่เสร็จแล้วผลหรืออาการปรากฏของศีลนั้นมันเป็นอย่างไรเข้าใจใช่ไหม แล้วเหตใกลรที่จะาำให้คุรศรสีนั่นเดินจะทำให้คุศลศีนั้นเกิดถ้นเป็นอย่างไรต้องชัดอย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะลำบากใช่ไหมอาจาเป็นไหมถ้าสมมติว่ายงมงคลจะถามบอกว่าเอ อ, เ อ, อช่วยไปพบคนคนหนึ่งหน่อย เ, อเขาชื่อว่านายนายนายดำนะ บอกในดําอย่างเดียวนี่จะรู้ไหมถ้าไม่บอกลักษณะไม่รู้ใช่ไหมเราไม่เคยเห็นเนี่ยอลักษณะอ้วนขาวตุ่มต่ําหรือเตี่ยอะไรก็ว่าไปใช่ไหมหรือว่าสูงใช่ไหมใช่แล้วบอกแค่นั้นบางทีมันก็ยังไม่ชัดใช่ไอมแล้วเขาเขาทํางานอะไรอ่ะใช่ไหมเขาทำงานอะไรใช่ไหมเออแล้วการงานเขาเขาเป็นยังไงใช่ไหมอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจก็ต้องทํางานตรงนั้นอะไรเงี้ยมันต้องรู้อย่างนี้ใช่ไหม ถ้ารู้อย่างนี้แปลว่าเราหาเจอแต่อตอนเนี้ยสังคมไทยเนี่ยอย่าลืมว่านะผมหาศีลไม่เจอไปนั่งรับศีลกันนี่แหละแต่หาไม่เจอหนึ่งไม่รู้จกักศีลสองไม่รู้จกักไม่รู้ไม่รู้จักลักษณะของศีลไม่รู้จักกิจของศีลแล้วก็ไม่รู้จักอาการปรากฏว่าศีลมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทําอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้เหตุใก่ของศีลนี่คืออะไร ถามถ้าไม่รู้อย่างนี้จะไปรักษาสียังไงอ่ะนี่คือเป็นปัญหาจุดบอดของสังคมไทยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมไทยที่เป็นสังคมที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีข้อมูลไม่ค่อยมีความรู้ถ้าไปบอกว่าเขาไม่มีความรู้เนี่ยเขาโกรธเนี่ยแต่จริงๆเขาไม่มีความรู้เรื่องสีถ้าไม่มีความรู้เรื่องสี <c oughs> เนี่ยเขาจะคิดเรื่องสีได้ไง throw. ได้ไหม ก็คิดอยู่บนฐานที่มีสีรหรือไม่มีไม่มีแล้วการกระทําของเขาจะมีสีรหรือไม่มีมมคําพูดของเขาจะมีสีลหรือไม่มีมมเห็นไหมมันจะเป็นแบบเ น, นี้ยมันเป็นสังคมที่ขาดความรู้มันก็เลยคิดอยู่บนฐานที่ไม่มีความรู้เหมือนกรณีที่เราจะไปเถียงกันเนี่ยเถียงว่าเรื่องใครผิดใครถูกเนี่ยไปเถียงอยู่บนฐานที่มันรู้ไม่จริงเนี่ยมันผิดหมดแหละ เพราะตรงนี้สังคมมันขาดชาวพุทธตอนเนี้ขาดขาดเรื่องทานขาดเรื่องศีลคือขาดความรู้เรื่องทานที่ถูกต้องขาดความรู้เรื่องศีลที่ถูกต้องขาดความรู้เรื่องภาวนาที่ตถูกต้องทั้งสมถภาวนาก็ก็ไม่รู้จริงทั้งวิปัสนาภาวนาก็ไม่รู้จริงเข้าใจไหมตอนเนี้สังคมเรามันขาดแล้วมันขาดจุดไหนเราก็ไม่พยายามเติมสิ่งที่มันขาดเพราะไปเติมก็เลยเติมแบบก็พ่องก็แค่อีก อันนี้ก็จะเป็นประเด็นเลงประเภทที่เรียนจบแล้วทํางานไม่ได้ชี้เข้าใจไหมเรียนจบทํางานไม่ได้อาจจบมหาเอกแล้วเดินกรรมฐานามไม่ได้ น, นี่เขาเรียกการเรียนจบแล้วทํางานไม่ได้ใช่ไหมจบจบอวิธรรมแล้วอย่างเงี้ยจบพวินัยแล้วเนี่ยจบพระ ส, สูตรแล้วเนี่ยแต่ทํางานไม่ได้คําว่าทํางานไม่ได้ในที่นั้นก็คือเดินเข้าหาสิกขาสามไม่ได้แล้วก็เจริญตามสิกขาสามไม่ได้อันนี้เป็นเป็นปัญหาใหญ่ไหมเอา ย่อปัญหานั้นมาให้เล็กในกระแสขันของเราส่วนปัญหาของสังคมภายนอกเก็บไว้ก่อนมันเป็นงานหนักไ้เย่ะไหตอนนี้ก็คืออะไรแต่ละบุคคลที่นั่งอยู่เนี่ยก็เก็บเกี่ยวความเข้าใจให้ชัดและเดินให้ได้ใช่ไหดีไหมโยมบกงคนอันนี้ตกลงอย่างนี้นะมันจะไม่ได้มันจะได้ฟังเบสเสจแล้วจะได้ไม่คิดถึงคนอื่นใช่ไหมถ้างั้นพอรู้ปุ๊บมันก็คิดถึงพี่ถึงน้องถึงพ่อถึงแม่ ก็อยากให้เขารู้อีกมันก็เลยเลยตัวเองนะการน้อมที่การขัดเกลาตัวเองก็เลยหมดไปความตั้งใจก็น้อยใช่ไหมอ่ะแต่นี้ก็ก็ได้หลักเลยตอเนี้ยพราะได้หลักตรงนี้ก็คือว่าแต่ละท่านก็ฟังกันทีนี้กรณีแต่ละบุคคลนี่ปริมาณของการเข้าใจต่างกันแล้วทุกคนก็กระตุ้นเตือนวิธีวิธีฟังตัวเองก็แล้วกัน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 ฟังแบบเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไม่ได้สอละเอาใช่ไหมไม่คียดีไหมตั้งหลักอย่างเงี้ยดีเนาะเอาแต่นี้ก็คือว่าถึงอะไรเป็นลักอะไรเป็นวิเศษลักษณะคืออะไรเป็นลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกว่าปัจจตาลักษณะกับอัพคือศีลเนี่ยเป็นสามัญลักษณะได้ด้วยไหมอย่างไรตัวศีลคือตัวเจตนาคือตัวเจตสิกคือตัวสังวรและตัวความไม่กล้าร่วงก็คือเป็นกลุ่มนามธรรม สรุปก็คือเป็นกลุ่มของนามธรรมอ่ะเวทนาสัญญาสังขารมีานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจฉะนั้นในด้านของจิตใจในด้านของธรรมที่เกิดร่วมกันกับจิตใจทั้งจิตและเจตสิกที่เป็นศีลเนี่ยนะนี่เราก็เริ่มมาดูแล้วว่าในกลุ่มของสภาวะธรรมเหล่านี้ตอนนี้เราต้องการดูลักษณะของศรรีลดูกิจของศรรีลดูการปรากฏของศรรีลและดูเหตุใกล้ของศรรีลแต่ต่อไปจะไปทําความเข้าใจตรงนั้นะเขาเรียกว่า วิเศสลักษณะแล้วก็กิจจรสสัมปติรสอุปทานะอุปทานการหรืออาการที่ปรากฏผลปรากฏเนี่ย น, นะแล้วก็ประทัดฐานเขาเรียกว่าอาสนะการะะอาสนะการะานาาระเขแปลว่าเหตุใกล้เหตุใกล้ของศีลอันนี้ท่านท่านต้องรู้ว่าสีนั้นมีทั้งสามมั ญ, ญลักษณะแล้วก็ปัจจารลักษณะแต่ในที่นี้เราจะมาศึกษาในเรื่องของลักษณะเฉพาะตัว ประการที่สี่อะไรเป็นอานิสงค์ของศีลเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติในศีลนะการจะศึกษาเรื่องศีลอยสุภะโหงจะเป็นต้องรู้อานิสงค์เพื่ออะไรใช่ไหมต้องรู้อานิสงค์ถ้าไม่รู้อานิสงค์ถ้าไม่เห็นอานิสงค์ถ้าไม่เข้าใจอานิสงค์เราอยากจะปฏิบัติในศีลไหยไม่อยากเจริญศีลไม่อยากอบรมศีลเนาะสรุปแล้วก็คืออานิสงค์ต้องทราบอันนั้นก็าจะขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่หกเกี่ยวกับในเรื่องของคําว่าเออไม่ได้ขั้นตอนที่ห้าอะไรเป็นสังกิเลตคือเหตุความเศ้าหมองของสีไอ้ความเศร้าหมองของ ศ, อเององศีเนี่ยถ้าถามว่ากิเลสสังกิเลตคือกิเลสที่เป็นตัวคอยบั่นทอนเป็นครัวคอยทําให้ตัวสีนั้นอ่ะเดินได้ไม่สะดวก ในต่อไปเราจะไปศึกษาเรื่องตัวโลภะตัวโทสะตัวโมหะใช่ไหมความเกลียดค้านเนี่ยความไม่ควรต่อการงานกลุ่มอกุศลทั้งหลายว่าอกุศลลธรรมต่างๆล่า น, นี้มันมันคอยตัดรากของศีลอย่างไรมาคอยทําให้ศีลไม่เจริญงอกงามอย่างไรเนีย่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยโดนไอสังเิเลตเนี่ยคอยตัดรากของศีนมากันอย่างยาวไปแล้วในสังสารวัตร และในปัจจุบันเพบเนี่ยเหมือนเคยบอกบ่อยๆว่าท้านนั่งอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดการเม่ฉันท่าขึ้นมาเกิดพยาบาทขึ้นมาเกิดถีน้ำมิท่าเกิดอุทธเจ้ากุกุจา่าเกิดวิจิตริชชาขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นศีลเดินเดินหรือไม่เดินหน้าศีลไม่เดินแล้วอันนี้ก็ต้องรู้ตัวว่าถ้าเราจะมาศึกษาคำสอนเนี่ยเอางี้นะ ถ้ายอมเนี่ยนั่งฟังแบบอกุศลเนี่ยตอนนั้นโยไม่มีถามที่จะฟังพระธรรมแล้วให้รู้ตัวเลยว่าสุดแล้วเพราะศีลไม่เกิดไม่เหมาะไม่เหมาะสมแกการที่จะทําใจให้เป็นพวกัไอ้ภาชนะรองรับพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นภาวนาอกุศลให้เกิดได้เลยมองเห็นหรือยังว่าจริงๆในขณะที่เราเราฟังพระธรรมไปนี่แหละก็ปล่อยให้ บาปอกโซได้ทำมันลามกมันคอยตัดรอนอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าภาชนะคือจิตใจของเราท่านทั้งหลายนั้นน่ะเป็นภาชนะที่ไม่ดีแล้วใช่ไหมโยโมทุคลอันนั้นก็เรื่องสังเลตพึงรู้ประโยชน์ต่อโวทานคือเหตุของแพ่วของศีลเหล่านั้นด้วยว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความองแผ่วและความบริสุทธิ์ของศีลทั้งหกประการเหล่าเนี้ยเป็นปัญหาของศีล ปัญหาในที่นั้นคือท่านตั้งปัญหาเป็นคําถามแต่คำถามลักษณะนี้ท่านจะตั้งในฐานะเป็นปเกษตรุกรรมยตาปุชาถามเพื่อต้องการจะตอบเองถ้าถามบอกว่าอะไรคือสีเนี่ยถ้าถามพวกเราก็จบเลยจบไหมท่านถึงบอกว่าเวลาการสแสดงคําสอนเนี่ยท่านตั้งเอ ง, ต, ง, เอ ง, งตอบเองเหมือนพระพุทธเจ้านี่ท่านเรียนแบบพระพุทธเจ้าเนาะ เวลาท่านพพระพุทธโกษาจาร์เนี่ยท่านตั้งนี่ต่อไปก็คือถบบาลีท่านใช้คำว่ากิงสีรังแปลว่าอะไรกิงเน่ยคืออะไรใช่ไหมกิงสีลังก็คื อ, อ, อนั่นแหละก็คืออะไรคือศีลอะไรคือศีลอันนี้ถามถึงองค์ธรรมของศีลเดี๋ยวนี้ก็จับประเด็นองค์ธรรมของศีลให้ชัดก่อน คำตอบก็คือว่าเจตนาเป็นต้นชื่อว่าศีลคือเจตนาเป็นศีลเจตสิกหกตัวเป็นศีลแล้วก็สังวรคือการสังวรก็เป็นศีลสังวรห้านี่นะอวิติกรรมคือการไม่ก้าร่วงก็เป็นศีล น, นี่จะประเด็นให้ได้ห้าประการนี้ก่อนเนาะนี่เจตนาก็ได้แก่ว่าทำทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นของบุคคลผู้มีวิรัต อยู่ด้วยนั่นการสมาทานคือการงดเว้นได้แล้วก็ด้วยการสมาทานศีลเอาไว้และสัมปติวิรัตก็การงดเว้นได้โดยการมีองค์ธรรมที่บึงจะเว้นที่มีสัตว์เป็นต้นามาปรากฏเฉพาะหน้าเป็นต้นหเหล่นี้นะนั้นพูดถึงในด้านทั้งเจตสิกสีนตรงนี้ก็คือว่าท่านบอกว่าเจตนาเป็นศีลวิรัตก็เป็นศีนวิรัตท่านมีสองส่วนสมาทานวิรัตกับสัมปตาวิรัต สัมปทาวิระสมาทานวิรัะก็คือเป็นเกี่ยวในเรื่องของการสมาทานในกรณีที่มีความปรารถนาที่จะงดเว้น่ยจากบาป ท, ทั้งหลายทางกายทางวาจาและทางใจอันนี้เขาเรียกว่าเมาชาสมาทานสินี่ไหมนี่ตรงนี้ไอมาไม่ไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมความเข้มข้นของพวกเราจึงไม่ค่อยแข็งแรงในด้านศีลเชื่อว่าเรายังไม่เข้าใจศีล ถ้าวันใดนี้มัน ห, หนึ่งเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกุศลศีลนะจุดนี้ต้องมีใครบอกยอมดีหัวเห็นมากยอมีความรักมากยอมรักลูกไอตาของยอมสองข้างยอมรักนะยมมงคลรักมากไหมถ้ามันจะเสียขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นความเสียหายมากไหมเชื่อไหมศีลสําคัญกว่าตาสองข้างแต่ตอนนี้ยมมงคลยังมองไม่เห็น ถ้าวันใดได้เห็นขึ้นมาโยมมงคลจะหวงศีนมากกว่าลูกตาสองลูกแต่ตอนนี้มันยังไม่ชัดมันยังฟ้าฟางในความความเข้าใจแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนี่มันจะหวงมากเพราะศีนสาคัญกว่าตาสองข้างศีนสําคัญกว่าหูสองข้างศีนสําคัญกว่าจมูกสําคัญศีนสําคัญกับก็ปากศีนสําคัญกับกายและศีนสําคัญกว่าใจที่มันไม่มีศีน ศีลเป็นถามว่าสัมมาสัมโพธิสัยานได้มาเพราะศีลใช่ไหมเพื่อสัมมาสัมปวิสาณถ้าศีลไม่เต็มจะมีสัมมาสัมโปวิสัยไหยเห็นไหมฉะนั้นการบรรลุของภาษาลิบุตรตัมโมกาลาน่าเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ได้มาเพราะศีลใครก็แล้วแต่ที่จะแทงตลอดอริยสัจดับวัตถทุก์เป็นต้นเหล่านี้ ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีสีไม่มีใครทุสีทุกคนเลยใช่ไหมปฏิปทาอย่างการที่จะพ้นทุกข์นั้นนะต้องมาได้จากการมีความรู้มีความเข้าใจในสีไม่ใช่มาจากความไม่รู้อัเ น, นี้ด้วยการที่เรายังไม่รู้เนะี่ยมาไม่แปลกใหญ่ถ้าไปบอกว่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะน้อยใจอีกใช่ไหมก็เราไปรับสีตลอดเนี่แหละก็อย่างที่บอกเลยว่ามันไม่ชัด มันไม่สําคัญมันยังไม่เห็นความสําคัญว่าศีลสําคัญกว่าตายอย่างเนี้มาว่าใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าศึกษาไปมากๆขึ้นเน่ยนะเข้าในเข้าเนี่ยจะจับเข้าใจอย่างนั้นจรๆทีนี้ในกรณีที่ว่าเจตนาศีลเจตสิกศีลเป็นต้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยเป็นการงดเว้นอันเป็นการงดเว้นจากทุจริต ไม่ว่าจะเป็นเจตนาที่เป็ น, นศีลเจตสิกที่เป็นศีลสังวรที่เป็นศีลหรือความไม่ก้าวร่วมที่เป็นอวิติกรมาที่เป็นศีลน่ะถ้าสรุปตรงนี้ก่อนเนี่ยก็คือเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจเพื่อจะยังกายวาจาไม่ให้ทําบาปมีการฆ่าการลักการประพุ้ดผิดในการมการพูดเท็จเป็นต้นและเพื่อจะยังจิตใจนั้นไม่ให้โลกไม่โกรธและมีปัญญากดขึ้น ตรงนี้แหละถ้าสรุปออกมาตรงนี้ก็คือว่าตัวกูโซราสีจะเป็นแบบนั้นจะต่อไปขยายประการแรกเรียออกว่าเจตนาในเป็นศีเอาเจตนาเจตสิกดูลักษณะของเจตนาเจตสิกก่อนธรรมชาติของเจตนาเจตสิกนี่เขามีลักษณะยังไงจัดแจงไหมเขามีลักษณะในการจัดแจงเอาจัดแจงอะไร ถามว่าเจตนาเนี่ยเจตนาที่เป็นศีลในที่นี้ี่จะอธิบายอันมาจะไม่อธิบายอากุศลศีลนะแต่จะอธิบายตัวกุศลศีลเจตนาเนี่ยเป็นสังขารขันเห็นไหมพอพูดถึงตัวเจตนาศีลเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วจริงไหมยอมมงคลเพราะเจตนาตัวสภาวธรรมเหล่านี้เป็นสภาวธรรมที่เกิดในใจอ่ะต้องยองมมงคล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 ตัวกุศลจิตที่เกิดขึ้นน่ะกุศลจิตุบาที่เกิดขึ้นน่ะในนั้นมีเจตนาอยู่ทีนี้เจตนาเหล่านั้นทํากิจทํากิจในฐานะเป็นตัวจัแจงจะแจงอะไรจะแจงผัสสะให้ทํำกิจในการกระทบอารมณ์จะแจงเวทนาให้ทํากิจในการสวยรสของอารมณ์จะแจงสัญญาให้ทํากิจในการจําอารมณ์จะแจงสังขารให้ทากิจในการปรุงแต่งอารมณ์ไปในทางที่ดี คือความไม่โลภความไม่โกรธเป็นต้นแล้วก็ปัญญาเป็นต้นแล้วก็จกแจงเกี่ยวในเรื่องของวิญญาณทำกิจในการรู้อารมณ์ฉะนั้นสภาวะธรรมต่างๆเหล่านี้ที่เกิดร่วมกันกันกบเจตนานั้นเน่ะจัะทำกิจต่างๆเหล่านั้นได้ก็ได้การอนุเคราะห์ด้วยการอนิจจุอนุบุญของิเจตนาเหล่านี้เรื่องง่านไหมทีนี้ยากไหม ย, ยากไหมเอายกตัวอย่างเป็นเป็นเรื่องเวลาเป็นราวดีกว่าทีนี้ ถ้ามีความตั้งใจว่าจะรักษาสีอันนี้ยกตัวอย่างก่อนนะนะก่อนที่จะยกตัวอย่างที่เล็กน้อยๆก่อนก่อนแล้วก็จะค่อยๆเดินไปเนี่ยนะกรณีที่โยมสุบานาโขงมีจิตคิดจะรักษาสีก็สม่ำแต่เจตนาที่ตั้งใจว่าจะรักษาสีน่ะไอตัวเจตนาในใจของโยมเขาจัดแจงจัดแจงนามธรรมา ท, ทั้งหลายเหมือนชักชวนนามธรรมา ท, ทั้งหลายเอาศรัท ธ, ธาใช่ไหม ให้มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระเจ้าอาวิยะให้ทากิจในการประคับประคองกุศลนี่มีความตั้งมั่นอสติให้ทากิจในการที่จะระลึกในการที่จะตรวจสอบเห็นระลึกถึงกายที่ทาคาที่พูดจิตที่คิดในขณะนั้นและในหลังนั้นเป็นต้นแล้วก็จัดแจงสมาธิให้มีความตั้งมั่นไม่หวันหว่นไหว แล้วก็จัดแจงปัญญาเพื่อทำกิจในการวิจัยว่าทำไมรัาศาสห้ตัวเจตนาก็ขึ้นมานพอโน้นำเบสเหล่านี้ก็เข้าใจว่าตัวศีลเป็นกุศลเจตนาที่เป็นกุศลเหล่านี้มันก็จะมีการเพรา ะ, มะเมล็ดพันธุ์โดยการที่จะให้ผลเจริญงอกงามต่อไปเพราะจัดแจงในลักษณะนี้ถามว่าศีลเกิดที่ใจ แล้วต่อมาก็มาจัดแจงกายาว่าจะให้มีความเรียบร้อยให้ตั้งมั่นได้ดีไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจายกระจายเข้าใจคำว่าจัดแจงเนี่ยมันจัดแจงแบบนี้แล้วจริงๆมันเป็นแบบนี้ัหมในชีวิตจริงเป็นหถ้าเป็นไปในรักษณนนอย่างนี้แปลว่าเจตนานั้นมันออกมาเพ่นพ่านในการัำกิจแล้ว